พระไตรปิฎกเล่มที่เก้าพระสูตรที่8มหาสีหนาทสูตรว่าด้วยการบรรลื อ, อย่ากองอาจดังพยาราชสีสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอุดชุดยาครั้งนั้นอเจละกัสปักเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูล ถ, ถามว่าท่านพระโคดมข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระสมณะโคดมทรงตำหนิตบะทุกชนิด สรงคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตะบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวที่เหล่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นกล่าวไว้เป็นเรื่องจริงหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะสมณพราหมณ์ที่กล่าวดังนั้นไม่ถือว่าพูดตรงตามที่เราพูดทั้งไม่ถือว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เราจึงเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้มีอาชีวะเศร้าหมองหลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารกก็มีไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็มีด้วยอาศัยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เราเห็นบุคคลผู้บำเพ็ญตบะบางคนในโลกนี้อยู่เป็นทุกข์เพราะบุญน้อย หลังจากตายแล้วไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกก็มีไปบังเกิดในสุ ข, ขติโลกสวรรค์ก็มีเรารู้การมาการไปการจุติและการบังเกิดของคนเหล่านั้นตามความเป็นจริงอย่างนี้ชันไหนเราจับตนิตบะทุกชนิดหรือคัดค้านและชี้โทษผู้บำเพ็ญตบะทั้งปวงว่าเป็นผู้มีอาชีวะเศร้าหมองโดยส่วนเดียวเล่า กัสปักมีสมณพามราหมณ์บางพวกเป็นบัณฑิตทรงภูมิปัญญามักโต้แย้งมีท่าทางดังขมังธนูพวกเขาดูเหมือนจะกำจัดทิฐิได้ด้วยปัญญาสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทัศนะตรงกับเราในบางเรื่องไม่ตรงกับเราในบางเรื่องบางประเด็นที่พวกเขาว่าดีแม้เราก็ว่าดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแม้เราก็ว่าไม่ดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าดี แต่เราว่าไม่ดีบางประเด็นที่พวกเขาว่าไม่ดีแต่เราว่าดีบางประเด็นที่เราว่าดีสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าดีบางประเด็นที่เราว่าไม่ดีสมณพราหมณ์พวกอื่นก็ว่าไม่ดีบางประเด็นที่เราว่าดีสมณพราหมณ์พวกอื่นกลับว่าไม่ดีบางประเด็นที่เราว่าไม่ดีสมณพราหมณ์พวกอื่นกลับว่าดี กัรปากเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุเรื่องที่ทำให้พวกเรามีวัดปฏิบัติไม่ตรงกันจงงดไว้แต่ในเรื่องที่ตรงกันวินยูชนเมื่อสักไซไ ล, ล่เลียงสอบสวนเปรียบเทียบศาสดากับศาสดาหมู่สาวกกับหมู่สาวกว่าธรรมะของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นอกุศลก็จัดว่าเป็นอกุศล ที่มีโทษก็จัดว่ามีโทษที่ไม่ควรเสพก็จัดว่าไม่ควรเสพที่ไม่ประเสริฐก็จัดว่าไม่ประเสริฐที่เป็นฝ่ายชั่วก็จัดว่าเป็นฝ่ายชั่วธรรมะของท่านเหล่านี้ส่วนใดที่เป็นกุศลก็จัดว่าเป็นกุศลที่ไม่มีโทษก็จัดว่าไม่มีโทษที่ควรเสพก็จัดว่าควรเสพที่ประเสริฐก็จัดว่าประเสริฐและที่เป็นฝ่ายดี ก็จัดว่าเป็นฝ่ายดีใครเล่าที่ละธรรมะเหล่านี้ได้เด็ดขาดใครเล่าที่สมทานประพฤติธรรมเหล่านี้ได้ครบถ้วนพระสมณโคดมหรือว่าคณาจารย์ผู้เจริญเหล่าอื่นกันแน่กสปะเป็นไปได้ที่วินอยู่ชนเมื่อสักไซ้แ ล, เล่เลียงสอบสวนอย่างนี้โดยมากจะสรนเสริญพวกเราฝ่ายเดียวเท่านั้น หมายเหตุการตรหนัดแบบนี้เรียกว่าการบรรลือสีหานาตไม่ใช่การยกตนข่มท่านหรือคุยโมโอ้อวดนะครับแต่เป็นการประกาศความจริงที่มั่นคงพิสูจน์ได้ประกาศด้วยความมั่นใจกล้าหาญด้วยท่าทีองค์อาจดุจพยาราชสีจึงเรียกว่าบรรลือสีหานาตกัศปะมีทางมีข้อปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติตามจะรู้เองเห็นเองว่า พระสมนาโคดมตรัสถูกเวลาตรัสคำจริงตรัสอิงประโยชน์ตรัสอิงธรรมะตรัสอิงวินัยกสปะทางนั้นคือมักมีองค์แปดอันประเสริฐเหล่านี้ได้แก่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปะปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตกระทาชอบ สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาส ม, มาธิตั้งจิตมั่นชอบสำหรับข้อนี้เป็นการแสดงให้กัสปะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามมักมีองค์8ก็จะรู้จะเห็นเองว่าที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อะเจลกัสปากราบทูลว่าท่านพระโคโดมการบําเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณหมายถึงสมณกรรมได้แก่การบําเพ็ญตบะอันเป็นสิ่งที่ทําให้ความเป็นสมณะสมบูรณ์ตามความเข้าใจของคนยุคนั้นและเป็นปรห ม, มัญญคุณหมายถึงพราหมณกรรมได้แก่ข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์ตามความเข้าใจของคนยุคนั้น การบำเพ็ญตะบะของสมณพราหมณ์แม้เหล่านี้คือเป็นอเจละกะหมายถึงพวกประพฤติเปลือยกายไม่มีมารยาทเลียมือเขาเชิญให้ไปรับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคล่อมธรณีประตู ไม่รับอาหารคล่อมท่อนไม้ไม่รับอาหารคล่อมสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคไม่รับอาหารของหญิงมีคันไม่รับอาหารของหญิงผู้กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่นัดแน่กันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอนเป็นกลุ่ม ไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรยัยไม่ดื่มยาดองรับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยสองใบ อย่างชีพด้วย อ, อาหารในถาดน้อยเจ็ดใบกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนสองวันกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืน7วันถือการบริโภคอาหาร15วันต่อหนึ่งมือ้อคำว่าถือในข้อนี้หมายถึงการยึดมั่นในวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง การบาเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณและพรมัญญคุณของสมณพราหมณ์เหล่านั้นคือกินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟางเป็นอาหารกินลูกเดือยกินกากข้าวกินยางกินสารายกินรำกินข้าวตังกินกัมยานกินหญ้ากินโคไมกินเงาและผลไม้ป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นยังชีพ การบำเพ็ญตบะที่นับว่าเป็นสามัญญคุณและปรมัญญคุณของสมณพราหมณ์เหล่านั้นคือนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแถบกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเหลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บนุ่งห่มผ้าคากรองคือผ้าที่ถักทอด้วยหญ้าคาเป็นผ้าที่พวกฤษีใช้นุ่งห่มนุ่งห่มผ้าเหลือกบ่อกรอง นุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากรรมผลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากรรมผลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระโยงเหยียบพื้นไม่เต็มเท้านอนบนหนา้านอนบนแผ่นกระดานนอนบนเนินดินนอนตะแคงข้างเดียวเอาฝุ่นคลุกตัวอยู่กลางแจ้งนั่งบนอาสนะตามที่ปู่ไว้ บริโภคคูดไม่ดื่มน้ำเย็นอาบน้ำวันละสามครั้งพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปะแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือกินผักดองเป็นอาหารถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมือ้อและมีข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวมาเช่นนั้นศีลสัมปทาจิตตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทา ก็ยังไม่เป็นอันสมณะพรามนั้นอบรมทําให้แจ้งทีิแท้เขายังห่างไกลาจากสามัญญคุณและรมัญญคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทําให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้าง ว่าพรามบ้างสำหรับคำว่าพรามในที่นี้หมายถึงพระอระหันต์ผู้สิ้นอาสวะกิเลสไม่ใช่วันนะพรามหรือนักบวชศาสนาพรามนะครับเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อเจละกัสปักกราบทูลว่าท่านพระโคโดมสามัญญาคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากรมัญญาคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยาก พรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่สามัญญคุณเป็นกิจที่ทาได้ยากรมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยา ก, ย เ, ป ก, ยากเป็นเรื่องปกติในโลกแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอเจลกะมีข้อปฏิบัติหลายอย่างที่ยึดถือกันมาเหล่านั้นเช่นไม่มีมารยาทเลียมือกินผักดองถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้ ถ้าสามัญญคุณหรือพร ม, มัญญคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากรู้ได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบาเพ็ญตะบักดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพ <Cu> รมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากสมณะเป็นผู้ที่รู้ได้ยากพรามเป็นผู้ที่รู้ได้ยาก เพราะขหาบดีหรือบุตรขหาบดีแม้กระทั่งนางกุมพทาสีก็อาจจะทำสามัญญาคุณและพร ม, มัญญาคุณนั้นและก็อาจรู้จักสมณะและพราามนั้นได้ด้วยกล่าวว่าเอาเถอะเราจะเป็นอเจลกะไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหารสิบห้าวันต่อหนึ่งมื้อเช่นนี้ เพราะสามัญญคุณหรือปรมัญญคุณจะได้ชื่อว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้ได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กเกน้อยน้อยและจากการบำเพ็ญตบะเช่นนั้นฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากปรมคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากหากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวร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 จิตตสัมปทานั้นเป็นอย่างไรปัญญาสัมปทานั้นเป็นอย่างไรพราผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะตะถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมถะศึกษาอยู่ในสิก ข, ขาบทประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปะชัญญะและเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุฒและสัตวาวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลสัมปทาของภิกษุอย่างหนึ่ง ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสํารวมในศีลเลยเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยาศีลขันธ์นอย่างนี้ย่อม ส, สุขอันไม่มีโทษในภายในกัสปะภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แล นี้แหลเป็นศีลสัมปทาพิสูตผู้บรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานาอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตตฌานอยู่นี้แหลเป็นจิตตสัมปทาเมื่อมีจิตเป็นสมาธิอย่างนี้พิสษุน้อมจิตไปเพื่อยานัทสนะรู้ชัดว่าไม่มีกิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แหล เป็นปัญญาสัมปทากสปะศิลสัมปทาจิตตสัมปทาและปัญญาสัมปทาอย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและปรานีกว่าศิลสัมปทาจิตตสัมปทาและปัญญาสัมปทานี้ไม่มีอีกแล้วกษสปะมีสมณพราหม์พวกหนึ่งพูดเรื่องศีลกล่าวสรรเสริญศีลมากมาย ศีลอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าทีแท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในศีลอันยอดเยี่ยมคืออธิศีลกสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องตบะที่กีดกันกิเลสกล่าวสรรเสริญตบะที่กีดกันกิเลสมากมายตบะที่กีดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมมีเท่าไร เรายังไม่เห็นผู้จทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในตะบะที่กีดกันกิเลสอันยอดเยี่ยมคืออาิเชคุชชะกัสปะมีสมณพราหม์พวกหนึ่งพูดเรื่องปัญญากล่าวสรรเสริญปัญญาไว้มากมายปัญญาอันยอดเยี่ยมมีเท่าไหร่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 จะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ําเลิศในเรื่องความหลุดพ้นคืออธิวิมุตติกัสปักเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมทรงบรรลือสีหนาฏแต่ทรงบรรลือในเรือนว่างเท่านั้นไม่ทรงบรรลือในบริษัทเลย คำว่าทรงบรรเลงศีนานหมายถึงคำพูดที่ตรัส ด, ด้วยท่าทีองอาจดั่งพยาราชสีไม่ทรงหวั่นเกรงผู้ใดเพราะทรงมั่นพระไทยในศีลสมาธิปัญญาของพระองค์สำหรับคำว่าบริษัทในที่นี้หมายถึงกลุ่มของบุคคลหลายสถานะที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการจะฟังพระธรรมเทศนามีแดกลุ่มคือขติยบริษัทรามณบริษัท กห บ, บดีบริษัทสมณบบริษัทจตุมหาราชิกาบริษัทตาวติงสะบริษัทมารบริษัทและพรมบริษัทท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือศีหานาถและทรงบรรลือในบริษัทด้วยกัสปักเป็นไปได้ที่พวกบริพาโชคเดีรถี จะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมทรงบรรลือศีหานาฏและทรงบรรลือในบริษัทแต่ไม่ทรงบรรลืออย่างองค์อาจท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่า ก, กล่าวอย่างนั้นเลยพระสมณะโคดมทรงบรรลือศีหานาฏและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองคอาจด้ว ย, ยวกสปะเป็นไปได้ที่พวกบริพาชกเดรธีจะกล่าวอย่างนี้ว่า พระสมณโคดมทรงบรรลือดศีนานและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองค์อาจแต่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้ทูลถามปัญหาและเทวดาและมนุษย์ทูลถามปัญหาแต่พระองค์ก็ทรงไม่ตอบและพระองค์ทรงตอบได้แต่ก็ทําให้ผู้ถามพอใจไม่ได้และพระองค์ทรงทำให้ผู้ถามพอใจได้แต่พวกเขาก็ไม่สนใจฟังและพวกเขาสนใจฟังแต่ก็ไม่เลื่อมใส และพวกเขาเลื่อมใสแต่ก็ไม่แสดงออกและพวกเขาแสดงออกแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามและพวกเขาปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ชื่นชมยินดีท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือศีหนาฏทรงบรรลือในบริษัทและทรงบรรลืออย่างองค์อาจเทวดาและมนุษย์พากันทูลถามปัญหาพระองค์ทรงตอบได้ พระองค์ทรงทําให้ผู้ถามพอใจได้พวกเขาก็สนใจฟังฟังแล้วก็เลื่อมใสเลื่อมใสแล้วก็แสดงออกแสดงออกแล้วก็ปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามต่างก็ชื่นชมยินดีกัษปะครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคีจกูดเขตกรุงราชครื้เพื่อนพรมมาจารีคนหนึ่งของท่านในกรุงราชครื้ ซชื้อนิโครธะบริพาชคได้ถามปัญหาเรื่องตบะที่กีดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเราตอบคำถามเขาก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากอาเจละกะัสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครเล่าที่ฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคแล้วจะไม่ปลื้มใจแม้ข้าพระองค์ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคเองแล้วก็ยังปลื้มใจเป็นอย่างมาก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลไงของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคข้อนี้หมายถึงท่านกัสปัได้ทูลขอบวชกับพระพุทธเจ้านะครับพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสปักปผู้เคยเป็นเอรถีหมายถึงนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่มีความเชื่ออย่างอื่นหากประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินนยนี้จะต้องอยู่ป ร, ริว่าสี่เดือน หลังจากสี่เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอันหนึง่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยบริวาทในพระสูตรนี้เรียกว่าติตทิยะบริวาทได้แก่ข้อบังคับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่หันมาเริ่มใสพระธรรมวินัยแล้วประสงค์จะบวชเป็นภิกษุ ให้ขอปริวาทต่อสงฆ์และดำรงตอนอย่างสัมนเนนครบสี่เดือนจนสงฆ์พอใจจึงจะขออุปสมบทเป็นภิกษ okay. ุได네้เขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้เคยเป็นเอรทถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาทสี่เดือนแต่ข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาทสี่ปี หลังจากสี่ปีร่วมไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอเจละกัสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อบวชแล้วไม่นานจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นพระนิพพานอยู่ไม่นานนักก็ทําให้แจ้งที่สุดแห่งปรุงมจันทร์อันยอดเยี่ยม ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระกัสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย สำหรับคำว่าที่สุดแห่งพรหมจรรย์หมายถึงจุดสุดท้ายของการประพฤติธรรมในที่นี้หมายเอาพระอระหันตผลอันเป็นจุดหมายสูงสุดของมรรคพรหมจรรย์สำหรับคำว่าอยู่จบพรหมจรรย์แล้วหมายถึงกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อทำลายอาสวะกิเลสจบสิ้นสมบูรณ์แล้วไม่มีกิจที่จะต้องทำเพื่อตอนเองแต่ยังมีหน้าที่เพื่อผู้อื่นอยู่ผู้บรรลุถึงขั้นนี้ ได้ชื่อว่าอาเศขากบุคคลจบมหาสีหนาทสูตร